2. พยาสูรว่าด้วยภายเวณ 92. ครั้งนั้นแลอนาทบินทิกะขหะ บ, บดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนาที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอนาทบินทิกะขหะ บ, บดีดังนี้ว่าขหะ บ, บดี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 ต้องเสวยทุกขโทมนัสทางใจบ้างบุคคลผู้เว้นขาดจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมยียไรอันเป็นเหตุแห่งความประมาทแล้วย่อมไม่ประสบภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันที่เป็นไปในสำปรายภพทั้งไม่ต้องเสวยทุกขโทมนัสทางใจบุคคลผู้เว้นขาดจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมีย อันเป็นเหตุแห่งความประมาทแล้วย่อมระ ง, งับภัยเวร น, นั้นได้อย่างนี้อริยสาวกระ ง, งับภัยเวรห้าประการเป็นอย่างนี้แลอริยสาวกประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสี่ประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า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 เห็นแจ้งแทงตลอดอริยยัตธรรมด้วยปัญญาเป็นอย่างนี้แลเมื่อใดอริยสาวกระงับภัยเวรห้าประการนี้ประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสี่ประการนี้และเห็นแจ้งแทงตลอดอริยญาณธรรมนี้แลด้วยปัญญาแล้วเมื่อนั้นอริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนเองว่าเรามีนรกสิ้นแล้ว